بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمنتقين ولعدوانا ا إلا ر ل و ا ن ا و ن ص ل ه وصلّم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ت ب ع ه م بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي قام بتناهدي ل ج م ي و ن غ ت و ض غ تان ا كاب سونغ ني คบวนาคมการเดินทางอาจจะยากลำบากท่าในใดที่ไม่สะดกวกก็ไม่ต้องแบกภาระปากนักนะครับในการที่จะเดินทางแต่ถ้าหากว่าอยากจะเสียสละกราต่อสู้แล้วก็เก็บไว้เป็น คนละมุญที่จะรวึว่าเราได้ลำบากลำบากตัวเพื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมพระสุภาโนอาแลอะก็เป็นเรื่องดีอายุสั้นนี่เขาเขาจะเดินทางกันข้ามแดงเลยนะข้ามทวีปจะได้ศึกษาหาดี่สบกบนหนึ่งจะได้พบอุลามาสักคนหนึ่งที ขัาข้าัมประเทศขัมทวีปได้พบอุลามา ส, สัปดาหนอาทิตย์หนึ่งเรียนกเขาอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็ถือว่ากุ้มค่าแล้วสำหรับชีวิตของเขาด้วยเหตุผลว่าคนที่ศึกษาทุกยุคทุกสมัยเนียเขาจะมีความความเชื่อความตระหนักว่าความรู้ความรู้และความเข้าใจมันไม่ได้มา แบบง่ายดายเราอาจจะมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เราอาจจะมีความตั้งใจแต่เวลามันไม่เอื้อมีความตั้งใจมีเวลาเอื่อแต่สถานการณ์ไม่เอื้อแต่มีทั้งสามอย่างเนี่ยตั้งใจก็มีสถานการณ์ก็มีเงื่อนไขต่งางๆก็ครบถ้วน แต่จะไปหาผู้รู้ผู้รู้ที่จะศึกษากับเขานี่ไม่มีก็อย่างที่เราเห็นกัน น, ะนี่ขนาดผู้รู้ดังๆนะที่มีโอกาสได้รู้ว่าเขากำลังเสียชีวิตกันมันเหมือนดวงอาทิตย์คือดวงจันทร์ดับดับไปดวงหนึ่งนะอลองคิดดูสินี่การเปรียบเทียบนี่ไม่ใช่ผมนะพี่มั อามะจุมนะฮัมบัถูกถามถึงอาจารย์ของท่านเนี่ยอิหม่ามช ف ي อิหม่ามช ي นี่เป็นอาจารย์ของอมมดถูกถามถึงอิหม่ามช ف ي ว่าคุณค่าหรือคุณค่าของอิหม่ามช افي ความรู้ของเขาอามกมดอบว่าการาเหตุแก่ความฝีเทียนของมนุษย ل ل ล ن แสงอาย จะวีนีเปรยียบเสมือนสุขภาพสำหรับผู้คนคนเรานี่อะไรที่สาคัญที่สุดในชีวิตนี้ไปถามคนรวยคนที่มีตังเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านที่เราเนึกว่าเขาเขาเขาสุดยอดของความสุขคนคนเขามีทุกอย่างไปถามว่าอะไรที่สาคัญที่สุดสำคัญกว่าเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้าน ผมนี้ก็จะรู้ดีสุขภาพเพราถ้ะะากว่ามีเงินเป็นแสนล้านและสุขภาพไม่ดีเนี่ยาหาเงินแค่ไหนในโลกนี้นี่ไปซื้อสุขภาพที่ไหนนี่ไม่มีหรอกอย่างอื่นนี่มีให้ซื้ออย่างอื่นนี่มีให้แลกเปลี่ยนได้แต่สุขภาพนี่ไม่มีทางแม้กระทั่งพวกโรงพยาบาลโรงพยาบาล สาระคุณเอมุสตช์แมุสตชฟแว่าสถานที่สแสวงหาสแสวงหาหายโรคป่วยคือสแสวงหามันไม่สถาที่ที่จะรักษาได้นะนี่คือพยาบาลพยาบาลคือรักษานะเขาจะรักษาให้หายไม่หายนี่เขาไม่รับผิดชอบ เคยได้นนะพวกโรงพยาบาลนนะสถานสถานที่สุขภาพหรือสถานหรือโรงโรงสุขภาพีนะ้มีที่ไหนล่ะแล้วเราก็รู้กันรู้กันดีว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่สำหรับสาหรับคนมีสุขภาพถูกต้องไหมไปโรงพยาบาลีะเจอแต่คนห้วน <c oughs> <c oughs> แ, แปลกนะ โรงพยาบาลเออมีทุกอย่างเนี่ยให้ให้เรามีสุขภาพดีแต่พระก็ด้วยมีแต่คนป่วยคล้ายๆธุรกิจคล้ายๆคล้ายๆกันพนันถึงมีอุลมะบางท่านเนี่ยบางท่านนะเขาบอกว่าเก็บค่ารักษาเนี่ยบาป ท, ทำไมอ่ะก็ไม่ไมีไ ม, ม, ม, ม่มีหมอคนไหนนี่ ก, การันตีว่ารักษาแล้วหาย นี่เหมือนซื้อหวอ่ะซื้อแล้วถูกหรือเปล่าใครการันตีได้อไม่มีใครการันตีความเสี่ยงทายของของการรักษานี่ว่ามันหายหรือไม่หายเนี่ยเขาก็รู้กันดีว่าคุณจะรักษาจะหายไม่หายนี่เขาเขาไม่รับผิดชอบอแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยก่อนนี้จะเข้าผ่าตัดนีกก่ก็มีเซ็นสัญญาส่สัญญาอะไร แต่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยโรงพาบาลไม่รับชอบจะได้ฟ้องร้องกันไม่ได้เนี่ยเขาเขาต้องปลอดภัยของเขาคนแต่เราจะถูกผ่าท้องถูกผ่าหัวใจอะไรเนี่ยเราจะที่ผายแค่ไหนเนี่ยเขาเขาไม่สนใจหรอกของเขาเนี่ยเขาต้องปลอดภัยก่อนอ่ะมันก็มีบางอย่างที่พอพอพอเห็นใจเขาอ่ะนะเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรแต่มีบางอย่างนี่ก็ดูเหมือนว่าเห็นแก่ตัวเกินไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะ เรื่องอรบกฏหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องสทิทธิสทิทธิของผู้ป่วยเคยไปโรงพยาบาลแล้วก็อ่านมไหมสิทธิผู้ป่วยเน ย, เยอะเล ย, เยผมอา่านในส่วนมากนี่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ได้ทํากันไม่ได้ทําันอกวหมอนี่ต้องบอกต้องแจ้งต้องแจ้งข้อมูลเอี่ยงตรงไปตร ง, งมาอย่างซื้อสัตว์บริสุทธิ์ไม่มีบางทีเนี่ยไปเนี่ยจะออืมอม โอ้อจุดยากใช่หรืสิทธิของผู้ป่วยนี่ก็ไม่เคยดังนั้นอิมามันนี้จึงรู้ว่าที่สําคัญที่สุดนี่สำหรับมนุษย์เรื่องสุขภาพว่าชัมสิลิใดุนยาแาบชีวีนี่เหมือนสุขภาพสําหรับผู้คนและเหมือนดวงอาทิตย์สําหรับโลกลองนึกภาพดีโลกไม่มีดวงอาทิตย์อะไรจะเกิดขึ้น เราเดินทางจะได้ไปหาผู้ร yes, ู้มีทุกอย่างครบถ้วนแต่ไม่ไม่พบผู้รู้เพราะนี่เราอยู่ในช่วงก่อนวันสิ้นโลกนี่ช่วงที่มีสัญญาณก่อนสิ้นโลกนี่มันกำลังปรากฏเรื่หนึ่งในนั้นน่ะก็คือการยึดความรู้ความรู้นี่หายากและที่สุลลัลละวะลียอฺสัลลัมเล่าว่าอินัลลอฮะลัยฮฺบิฎฺฮัลัยลมฺบะนทิซ ยังจะสียอุปนิสัยของะจริงอัลลอไม่ดียึไม่ได้ยึความรู้ดิบๆสุดๆจากหัวใจจากสมองผู้รู้มีผู้รู้อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็จะตื่นมาไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีไม่มีหมายถึงว่าในช่วงสัญญาณสิ้นโลกเล็กแต่สัญญาณสิ้นโลกยังมี สจะได้เลิกไมนน่นิทนไม่ น, นา่านนบีซอลลัลลอฮุซุล lạc ้วะวะวายูม حة القرآن ุมินซุมิน ا ل ص ح ب ุ و م ن سندو الرضىقرآن จะถูกลบจากทรงอกของผู้รู้และจากแผ่นจารึกทั้งหลายก็คือสมุดทั้งหลายที่ที่เขียนหรือตีพิมพ์คุรอานเนี่ยตื่นมานเนี่ยคนที่ต้องจำคุรอานตื่นมานี่เป็นอาณามักรใหญ่นะ ตื่นมาเนี่นะอาจะมาอ่านฟาดิฮ่าเนี่ยจำไม่ได้เอ้าต้องไปเปิดุอ่านจะได้ดูเลยไม่มีข่าวหมดเลยอนี้สัญญาณใหญ่อันนี้ยึดเลยนะแต่ในสัญญาณเล็กเนี่ยช่วงช่วงนี้เนี่ช่วงนี้ช่วงสัญญาณเล็กนะสัญญาณสัญญาณใหญ่บางบางอันนี้ออกมาแต่ส่วนมากยังไม่มาส่วนมากของสัญญาณใหญ่นะยังไม่มาช่วงนี้อยู่ส่วนสัญญาณเล็กสัญญาณเล็กของวงเกียมากนี่ ยึดความรู้ยังไงนะมีบอกว่าไม่ได้ยึดจักไม่ได้ยึดจัดผู้ ร, รู้ผู้รู้นี่ยังอยู่มีมีผู้รู้แต่อ l l a h จะยึดตัวผู้รู้ยึดตัวผู้รู้ยึดวิญญาณนะ่ะให้ตายอ่ะประชาชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดพื้นที่นั้นน่ะไม่สมควรที่จะมีผู้รู้ในหมู่พวกเขา ทำไมไม่มีประโยชน์ผูรู้สอนไม่มีใครเรียนผูรู้เตือนไม่มีใครสานึกผูรู้เรียกร้องไม่มีใครตอบสนองอยู่ทาไมเมื่อก็ก็อยู่สมัยมากเหนื่อยเปล่าวิตไปมีขนาดที่เราเห็นในสกอขารดับโนี่มมว่วานนชื่ว่าันเปัลาสิที่ดังดังนะ่ะ แล้วก็ผูรู้ที่เราไม่รู้ไม่มีเสียงเ่ยที่อยู่ที่ที่ทำงานนละทำหน้าที่ในมื้นที่ต่างๆในโลกนี้แต่เขาไม่มีชื่อเสียงซึ่งมียเยอะไงว่าเราก็มีแต่มาไหนเห็นนะว่าคนที่มีคุณแประโยชน์คนที่มีมีผลงานระดับโลกอะ่ะคนเขาดีเขาามีผลงานไม่เฉพาะพื้นที่ของเขาอย่างเดียวระดับโลกผลงานเขากว้างขวาง <c oughs> จะรู้คุณค่าของผู้รู้เหล่านี้เนี่ยเมื่อจินตนาการว่าคนคนหนึ่งพวกนี้ถ้งเสียชีวิตไปแล้วนี่มีคนมาแทนทดแทนมะมแต่ละค น, นที่ไปนไี่ไม่มีไม่มีไม่มีก็เหมือนตายแล้วเนี่ยเหมือนระเบิดระเบิดลูกใหญ่ที่มันถลม่มแล้วก็หลุมหลุมใหญ่หลุมใหญ่ หลุมบางหลุมนี่นะบางทีเนี่ยก็เอาทรายเอาดินนิดหนึ่งก็มากบมันก็เรียบร้อยแล้วแต่บางทีเนี่ยหลุมหลุมมันใหญ่เกินกว่าจะมากรบนี่นะโอ้โหใช้เวลาเป็นปีรู้บางคนเนี่ยเสียชีวิตนี่กว่าจะมีผู้รู้ก่อตัวมาฟื้นความรู้เก็บสะสมความรู้จะได้ทําหน้าที่เหมือนคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะโอ้โ กิดขึ้นหรือเปล่าแต่ะยุคละสมันก็เป็นแบบนี้เตือนตัวผมและกับพี่น้องวันดีเราอยู่ในยุคนี้จริงที่อัลลอฮ์กลังยึดอีกสัญญาหนึ่งที่นาบิบบอกาในอาดี่บันดูบคารีนอัลลอ์ยึดความรู้จะจะตรู้จะยึดตัวรู้ ولكن ينتزعه بقبض العلماء قبض يتقنيان حتى إذا لم يبت عالما จนกระทั่งยึดผูรู้ยึดวิญญาณยึดให้เขาตายจนกระทั่งไม่มีผู้รู้เลยอุลามาได้บอกว่าสำนวนนี้หมายถึงว่าเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเป็นนามธรรมาไม่มีผู้รู้เลยจริงหมายถึงว่าทั่วประชาชาติอิสลามเลยหรือสําหรับบางพื้นที่ แต่รู้รู้ได้จากการสํารวจนะว่าถ้ามองถึงประชาชนอิสราเอลทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้เรืงนี้ไม่เกิดขึ้นไม่มีประชาชาตทั้งหมดเลยไม่มีผู้รู้เลยอย่างไม่เกิดขึ้นมีผู้รู้ยังมีแต่เรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นสําหรับบางพื้นที่อธิใจบางพื้นที่ไม่มีในบานเรานี่ก็มีบางเมืองบางชุมชนนะบางจังหวัดไม่มีผู้รู้เลยมี ชุมชนมุสลิมมีประชากรมุสลิมมีแต่พูรู้ไม่มีเลยไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงเรียนสอนศาสนาเลยทั้งที่มีมัสยิดทั้งทั้งที่มีเศรษฐีมีคนรวยมีคนมีตังทั้งที่ลูกเขาก็ไปเรียนเรียนเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนสูงแต่เขาไม่สนใจการการเรียนรู้เรื่องศาสนาเลยอันน้มีมีไหมมีมีไหสร้างมัสยิดใหญ่โต ใหญ่ตโมวมะโหลานแต่ละมาตกันอย่างเดียวไม่มีการเรียนการสอนไม่มีคนในชุมชนเนี่ยเครียดเกิดปัญหาถามเรื่องเรื่องดังมรดกถามเรื่องอยาล้างถามเรื่องปัญหาระหว่างสามีภรรยาปัญหาระหว่างคนในครอบครัวปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันถ า, ถามผู้รู นี่ในในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีมีก็เลยต้องถามผู้รู้ข้ามแดนค้านี่ผมผมทำไมพูดเร่งนี้ผเขาเจอเาจอกัอออบตัวเองไงคนที่ถามดาต่างจังหวัดนี่เกือบทุกคนนี่ผมจะถามไม่มีผู้รู้ในพื้นที่หรอไม่มี หรืออาจจะมีผู้รู้ที่เรารู้รู้รู้รรกันนวะว่าสังคมนี่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้รู้คนสอนคุรุอ่านคนนำละหมาดอิหมามนำละหมาดอย่างเนี้ยก็เป็นเป็นที่รู้กันในพื้นที่นะบางคนก็มองว่าอิหมามนี่เป็นผู้รู้ช า, าชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปมองว่าอิหมามนันเป็นผู้รู้ก็โดยความโดยความตาสีตาสาของเขาอะนะมีปัญหามาถัมอิหมามอิหมามชวยเพราะอิหมามไม่ไ ม, ม่ผู้รู้ไง พอดีพอดีเนี่ยฟารูดูอินอ่านกุรอานเป็นเขาก็ตั้งเป็นอิหมามอันนี้เรื่องที่เราต้องยอมรับและไม่ใไม่ชเรื่องบาปนะแต่มาเฉพาะมันเป็นอย่างนั้นจริงไปหาคนในพื้นที่ยังมีคนอ่านกุรอานแบบทารุฟกุรอานทั้งบทมันไม่มีหรอกอ่านแม่นๆแบบก็ไม่ไมีแล้มีคนที่เรียนฟารูดูอินอ่ะชุนชุนถึงขนาดที่บางพื้นที่นะนะไมอยากจะเอ่ยที่ไหนบางพื้นที่เนี่ย จะเป็นอิหมามกันคนในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ต้องนําเข้าจ้างมาจัดตั้งจังหวัดแต่เรื่องนี้บ้านเราเนี่ยทั่วไปมีโดยเฉพวะเดืรรดอนรอมฎอนะอิหมามนําเข้าพรในพื้นที่ไม่มีมหาอิหมามมาละหมาดตอนนีกับชาวบ้านชาวบ้านก็อยากฟังกุศล จะมาให้อิหม่ามอา่านคุรุฮ์รอสามกุนนี่ทั้งยี่สิบอ็ดระกาศนี่สามกุนนี่มันไม่ไหวเหมือนกันนะฮะก็เลยต้องนี่ลองคิดดูสิประเทศเดียวงเปะเทเพื่อนบ้านน่ะพมาอยอย่าเนี่ยทั้งคนพม่าพม่าแท้ๆมุสลิมพมา่าแท้ๆแล้วก็โรฮิง ญ, ญานะเป็นประชากรนี่มุสลิมเนี่ยท่องจำคุรุฮ์นี่เยอะมากแต่ไม่มีวัตถุศีลลวมา แล้นี่มึงไทยนี่นะมสศิตร์เพียบเลยแต่ไม่มีคน น, นับละหมาดดูบททดสอบนะคุณค่าของผู้รู้บางคนอย่างี้ละอามาัดเหมือนดวงอาทิตย์สำหรับสําหรับโลกนี้เห็นมีความรู้ที่ไหนเนี่ยคว้าเลยนะเราไม่รู้สถานการณ์มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราในโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไร เร า, เ ร, ารู้ว่าตัวเรานี่จะมีโอกาสนี่รอให้นี่มีสุขภาพมีสุขภาพมีอาหานะหรือคมนาคมมานเรานี่อก็ยังยังดีกว่าที่อื่นถึงแม้ว่าไม่ดีมากนักก็นนะนี่บางมัดดอนเมืองขอว่าไม่ได้ส่งอาทิตย์แล้วเนี่ยนำ้ำท่วมส่งส่งอาทิตย์ละ ไกลบ้านในนะ้ำท่วม า, มาไม่ได้แล้วรถไฟฟ้าใกล้จะเสร็จแล้วพ็เสร็จแล้วมันน่าจะดีีดขึ้นนะแต่จะแพงนิดนึงนะต้นหน่อย <c ười> <c ười> เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะต้องต้องมีความรู้ที่ไหนนี่กควา้าไป ผมนี่เคยเจอเรื่องนี้เนี่ยผมผมตอนอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยได้เขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งหนังสือเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสูร่เรดือนรอมฎอนแล้วก็การเตรียมตัวจะได้มีความสุขในการทำอิมามนะแปลแนละ้วเป็นภาษาไทยนี่ <c oughs> ชื่อหนังสือก็เลยเปลี่ยนความสุขเนอิมามนะาาาก็เคยแจกแต่หนังสือนี่เดิมนี่เป็นภาษาอับนะผม ีนแล้วก็ทีพิมพ์ที่เมื่อประมาณย0สิบกว่าปีแล้วและบางเอิญก็ต้องเดินทางไปฮ่องกงฮ่องกงเคยไปไหมพวกคือไม่ไปไปไม่ถึง <c ười> ก็ไปเจอ น, นอัออกท่องเที่ยวที่ฮ่องกงอายุประมาณสิบเก้อเขาหาก็เหมือนผมแหละ เขาหาท่องเที่ยวแต่เขาไม่รู้จักกผมแล้วเขาถามามันมันเป็นช่วงที่แบบว่ า, าสถานีสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึง่งนั่นแหละก็มามา่มาอยู่ที่นั่นเออมันจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนรถจะได้ไปที่อื่นก็เลยมาเจอกันทีนึงก็ถามว่า เออชื่ออะไรท่านเป็นก็น่ารักนะเป็นเด็กวัยรุ่นแต่น่ารักผมพยายามต้องจำคุอ่านจนจบเล่มละพอเขาอยู่ในฮ่องกองนี่ประมาณสามปีะ น, นะฮะเมื่อเที่ยวสามปีนี่ถือวานานนะ <c oughs> เออพี่น้องที่ฟังตามบ้านนี่ก็เดาเแบาวแอะฮ่องกองไต้หวัน <c oughs> สามปีจนท่องกูอ่านทั้งเล่มเลยแต่เขาอกว่าที่องค์กนี่ไม่มีตำราหนังสือไม่มีเออก็จริงเนะตำราหนังสือผู้รู้ไม่มีเลยมันก็จริงมันก็จริงอนะ่ะถ้าความรู้อะไรไหมที่จะที่จะพอนที่จะเราก็อายก็พตอนนั้นกูอ่านก็หลงหลงลืมลืมลืมลื ม, ล ม, ลม ว่าผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งบึ้งบึ ง, บงพิมพ์เสร็จเนี่ยเออตัผมเขาก็ไปหากระดาษพวกเอ้องฮ่องกงนี่มัน ข, ของหนายากซื้ อ, อยากนเหมือนกักระดาษขนมอะไรที่มันเหลือเนี่ยผมแกะมาแกะมาแกะม า, แ, ะมาแล้วก็ผมจะเขียนผมอะไรที่จําได้หนังสือนี่ก็ก็บอกว่ามันไม่มีอยู่สถานียไงมันไม่มีไม่มีแล้วก่อนนี่ไม่มีไม่มี มีพวกมือถือพวกอะไร ม, ม่มีแล้วเขาก็เขียนหนังสือส่วนมากกันนะเด็กในเขียนหนังสือผมก็ถามก็าแล้วทาไมทําไมขนาดที่บอกกผมไม่รู้ว่าจะเจอท่านที่ไหนหรือจะเจอผู้รู้ที่ไหนไม่ไม่มั่นใจแล้วใครที่มีความรู้ที่ไหนนี่ผมว่าผมก็จะคว้าความรู้เลยหาความ ผมไปสถานีไหนเนี่ยเจอผู้รู้โดยบังเอิญที่ไหนนีผมก็จะเนี่ยผมก็จะจดุดเท่าที่จุดได้สถานการในเบื่อบางพื้นที่นี่ไม่เหมือ น, นไม่เหมือนบางเราเนี่ยนจะไปไหนก็ไปไปหาใครก็หาใครหาก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วเราอยู่กันแบบแบบมีเวลาเหลือเยอะผู้รู้ก็มีเรื่องเยอะ รู้เวลาว่างะรู ab, uh. ân, ้ว uh uh. oh, so ่าเวลาว่างเยอะมีเวลาทะเลาะกันมีเวลาฟัดกันโอ้เวลาเขาเยอะแต่พื้นที่อื่นโอ้เขาไม่มีเวลาหรอกในสิ่งไรสาระนี่เขาไม่มีเวลาแล้วตั้งใจทํางานอย่างเดียวตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจให้ความรู้กลับมากลับมาพูดเรื่องความรู้เลย อายะห์ก่อนนี้นี่สุรเ ا จตัว่าคืออที่หกกัน و ี ن อ حد من المشركين ا س ت ج ا ر ك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلوا م م ن ه ذلك بأنهم قاول لا يعلمون ภายหลังที่อัลลอฮฺสุบฮานะบูต ر ك ا ت ะได้ประกาศพ้อผูันพันสัญา หรือพ้นพันธะทุกประการใดๆที่เคยมีกับบรรดาผู้บูชาจวิตและประวิงเวลาสีเดือนให้เขากับเนื้อกับตัวสำนึกในความจริงและศัทธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมิฉะนั้นก็จะไม่อนุญาตให้เขาเป็นคนละเมืองในรัฐอิสลาม แต่สำหรับคนที่ไม่ปราถนาดีและยังมีจตนาแฟงไว้ในการที่จะสังหารทำร้ายศา ส, สนาอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะประกาศสงครามและเมื่อถึงจุดที่จะต้องประทะต่อสู้กับคนเหล่านี้ ก็มีบัญชาชัดให้ประหัดประหารเขาและคอยติดตามเขาในทุกที่ทุกซุ้มที่เขาแฝงตัวอยู่หรือหลบซ่อนหรือในเมืองใดหรือป้อมใดาอาศัยความมั่นคงก็ให้ไปล้อมพื้นที่นั้นๆเพื่อไม่ให้เขาเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของขอ ง, งรัฐอิสลาม แต่ส่วนผู่ใดที่ประกาศเจตนาว่าอยากจะรับรู้เรื่องศาสนาแม้ว่ายังอยู่ในสี่เดือนหรือพ้นจากสี่เดือนที่ประวิงเวลาให้แล้วเนี่ยอยากจะเรียนรูย้ยังไม่เข้าใจหรือมีประโยชน์ใดๆที่ต้องการเข้ามาอยู่ในอนณาเขตของรักอิสลามจะเป็นการทําธุรกิจเป็นการออรักษาบําบัคหรือเป็นการเยี่ยมญาติพี่น้องอะไรก็ตามที่มันเนแล้วมันไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะ ก็ อ, อนุญก็ อ, อนญาให้เขาในเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของอิสลามใ น, ในช่วงในช่วงคราวในระยะเวลาที่จะปฏิบัติการภารกิจของเขาวงเล็บก็เหมือนวีซ่านะ่นเป็นมีซ่าแต่นี้มากกว่าเป็นอ น, นี้เป็นวีซ่าแม้กระทั่งคนผู้เป็นศัตรูผู้ผู้ที่นะผู้ที่มีเจตนาที่จะ สังหารที่จะรบอยู่แล้วนะฮาร์บีเนี่ยคนนี่ประกาศว่าเขาเป็นเป็นเป็นศัตรูนะจะรบกําลังรบอยู่แต่ขอไว้แล้วเนี่ยผมมีทุระมีภารกิจอะไรสักอย่างหน่งตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาเขาไม่มีไม่เป็นภัยอนุญาตให้เขาได้เสร็จแล้วนี่ก็ให้ไปส่งถึงที่ที่ปลอดภัยทั้งนั้นที่เขามีจะแตนจะสู้นะแตแตเป็นหน้าที่ของรัฐ伊斯兰ที่ต้องส่งเขา ในการที่จะวางระเบียบสังคมหรือรักอิสลามตามที่ผมได้นำเสนอและตามที่เราได้ศึกษาตั้งแต่อายแรกของสุรัตน์ตัวบ้านจนถึงอายาที่หกเนี่ยแบบนี้มันเป็นมาตรการใหม่มันเปนระเบียบใหม่กฎหมายใหม่สิ่งมุสลิมเขาไม่เคยไม่เคยที่จะบแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของดินแดน ภายสารกว้างกว้างขวางครอบเสมอระดับทั้งหมดระเบียบใหม่เนี่ยทําให้เขาจะต้องมีความเข้มแข็งเพราะมันมันต้องกระทบแน่นอนอญาพี่น้องเขาทีไม่ยอมรับอิสลามแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในแผ่นดินของอิสลามและประกาศสงครามเอา้าเขาจะทํำยังไงเขาจะวางตัวยังไง และถ้าเกิดเขาเจอเพื่อนฝูงญาติน้องเขาที่เคยสนิทสนมกันที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเปลียดท่านนบีเกลียดอิสลามและประกาศว่าจะสังหารมุสลิมทุกที่เลย เ, ยเขาจะทำตัวเองไงจึงมีความอึดอัดใจสำหรับมุสลิมบางคน ควมีมาตรฐานไปมัมมมมมนมมันเหนมือนมนเหมืนมุสลิมทุกยุคทุกสมัยานะเวลารับรู้หลกักการศาสนาบางอย่างแต่บางเอิญมันไปปะชิญกับความเคยชินความสนุกสนานความสุขของตัวเองอะนะก็จะมีความอัดแย้งต่เช่นมุสลิมมุสลิมมุสลิมเดิมนะมุสลิมดั้งเดิมนะแต่เขาเกิด ในพนื้นที่ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ทำอะไรบางอย่างนี่ก็ทำไปทามาเนี่ยจนมันอยู่ในโคโรงสร้างชีวิตของเขาอเช่นมุสลิมเกิดในเส้ที่สมมุตินะยกตัวอย่างแล้วก็พี่น้องลองดูเออมีหรือมีหรือเปล่าแล้วมา็ล้วมาถึงซิ่งนอ้ก็สิ่นะการก็จะการสุราวก็มีมาเรีนก็ฉลองทุก <sst> อย่า <udding, S 2> <อ>งครบถ้วนเลยจวซือหวย เพราะมีในพื้นที่ผู้รู้เขาก็หวยรัฐบาลนี่ซื้อได้ไงทำไมช่วยชาติรักชาติไม่ได้ชังชาติแล้วไม่ใช่ชัดชาติซื้อหวยได้ก็มีเลยเราเคเห็นนะทุกน้าบางผมไม่ได้สรองสรองขายหวยก็มีมี嘛 ม, มีมีน้องอย่าเคืองนะฮิวดูทำได้ไง เราเกิดในพื้นที่ที่บังเอิญมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้พื้นที่ที่แย่กว่าบ้านเราอะนะแย่กว่าบ้านเรานะผมเคยเล่าไนงะที่บอสเนียยุคตอนที่บอสเนียอยู่ในสหยูโลปเซียเนี่ยนะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะในช่วงนั้นนะอยู่กันเป็นห้าสิบหกสิบปีเนี่ย จนกระทั่งอิสลามเนี่ยถูกทำลายเลยแต่เพราะกูรูว่าคนเขาก็ยังยังสํานึกในอิสลามมานะพ่อเนี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ท่องจํากุรานก็เสียใจอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนคุรานบ้างบางพื้นที่เนี่ยบางชุมชนเนี่ยคือเรียนกุรานนี่เป็นผิดกฎหมายนะตอนก่อนนู้นน่ะผิดกฎหมายเนี่ยแต่ถ้าถูกจับนี่เรียนกฎหมายเรียนคุราน อ่านคุตอ่านอะไรนี่นะติดคุกเลยนะแล้วก็มีผู้รู้ที่สอนกุตอ่านเนี่ยแต่เขาจะมาสอนใต้ทุนบ้านบ้านหนึ่งอาสาว่าเออใต้บ้านมันจะมีทุนจะมีเหมือนเป็นอุโบง อ, อย่างเงี้ยสอนคุตอา่านคนที่มีลูกมีเต้าเวนั่นก็มาส่งมาส่งลูกที่บ้านนั้นนะ่ะเรีย น, นใต้ทุนไอพ่ออันนี้ไปส่งลูกเรียนกุตอ่านแล้วก็รอรอลูกนะเรียนเรียนจะได้เรียนเรียนกุตอ่านเสร็จแล้วก็จะได้พากลับบ้านส่งไปเรียนกุตอ่านแล้วก็ แล้วก็ไปนั่งรอหน้าบ้านหาที่กินเหล้าบาร์ที่ไหนเนี่ยเออมีใกล้บ้านมีที่ไหนนะก็นั่งกินเหล้ารอลูกเรียนอ่านเออแต่ก่อนนน้นเน่เรื่องกินเหล้านี่เเรื่องว่าเล่นประเทศตุรกีทุกวันนี้นะนะประเทศตุรกีนะนะทีเป็นประเทศที่เคยเป็นคิลาฟานะพี่น้องไปสนามบินตุรกีเนี่ยพอท่านปั๊มปั๊ม ทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วนี่ออกร้านไอร้านที่ร้านค้าที่สนามบินเนี่ยร้านเปชุดเลยนะร้านแรที่ต้องเจอข้างหน้าเนี่ยร้านขายเหล้าคนตุรกีเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะกินเหล้าเก่งมากที่เราไปที่ไหนเนี่ยแท บ, แ ท, บทุกร้านอาหารแทบทุกร้านอาหารนะมีขายเหล้าอะไรอย่ยบ้านเรายังไม่มีเลยอย่ะตุรกีเนะี่ยยิ่งกว่าเมืองไทยนะ ถึงขนาดที่ร้านบางร้านเนี่ยรู้ว่านักท่องเที่ยวมุสลิมที่เขาไม่ยอมนั่งอ่นร้านที่มีเหล้าเนี่ยเขาไม่ไม่นั่งหรอกเขาต้องเขียนนะร้านนี้ไม่มีเสิร์ฟเหล้ามีอาหารฮาลาเลียงเดียวแล้วบางทีเนี่ยป้ายนี่ผมเจอเองนะป้ายบางทีเนี่ยก็โกหกพอเข้าไปแล้วนี่นะป้ายนี่มาเริ่มเลยพอเข้าแล้วเนี่ยอีเลานีณว่า ก็เลยไปเข้าร้านอื่นก็มีป้ายเนี่ยร้านนี้ไม่มีขายเหล้าไม่มีเสิร์ฟเหล้าผมผมก็เลยเนี่ยนี่จริงป่าวเขาก็บอกจริงเข้าไปดูก่อนได้เลยถ้ามีเนี่ยออกเลยขนาดนั้นน่ะผมจริงก็ต้องเข้าแล้วก็ดูต้องตรวจสอบเออมีมีอะไรโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากเหยไม่เหนื่อยเท่าที่บ้านเราอ่ะนะบ้านเรานี่มันชัดไงไม่ต้องไม่ต้องหาอะไรเยอะคือแค่แค่รู้นงเห็น ยอย่างแอมะซอนอย่างเงียมันไม่มีเล้าใช่สตาร์บัคมีเยอะไม่รู้มาร่ ก, ก็รู้แต่ที่ไม่ใช่นะ ท, นนทนนี่ร้านกาแฟทั้มดร้านแฟร้านกาแท้งทุกร้านเลยอ่ะมีเหล้าร้านอาหารส่วนมากมีเหล้าห0ปีเนี่ยผู้นำของตุรกีต่อต้านอิสลามจนเกิด เจเนเรชันสองสามเจเนเรชันที่ไม่รู้เรื่องอิสลามเลยถึงจะรูนะ้ก็รู้แบบเผนะินรู้เรื่องหมวกเรื่องสุราเรองแต่ใครๆกับ้านเรานี่เออรู้รู้ว่ามันแขกอิสลามแบบภายนอกแต่ยังอื่นเนี่ยห ม, หมดทุกอย่างคนที่จะต้องมาวางตัวใน ในสังคมใหม่แบบเนี้ยเออเนี่ยมันก็ยากก็เหมือนคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยพอรู้แล้วเฮ้ยกินเหล้าไม่ได้เนอะายฉันกินเหล้าทุกมือเลยเฮ้ยไปเที่ยวกันคืนไม่ได้นะมีกิ๊กไม่ได้นะก็ชีวิตของเขานี่ยโครงสร้างชื่อเขามันอยู่กับเรื่องนี้ไงนี่มาเรื่องใหม่นเราคำลังเกิดในยุค ผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงอห่านี้มีล้สังคมมุสลิมไม่รู้ว่าบาปไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้มันบาปจึงต้องมีการสอ น, น่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยอายะทัดไปเนี่ยพูดคุยกับคนที่มีความอึดอัดใจในระเบียบคืออย่าลืมนะว่า น, นี่สว่วนตัตบ้านนี้ เป็นเป็นบทบัญญัติในช่วงสุดท้ายแล้วนะแต่มันเป็นบทบัญญัติผมบอกว่าสำคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมในเรื่องว่าคุณสมบัติของนละเมือง ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่ในสังคมเนี่ยอยู่กันแบบปะปนมุสลิมกินกับมุนาฟิกินกับอะไระยอยู่กันแล้วก็ต้องอดทนเพราะเราเราไม่มีเวลาที่จะมามามากำหนดเรื่องไอ้เรื่องวีซุ่งวีซ่าเนี่ยนบีกำลังสู้รบตลอดเวลาเลยเนีเดี๋ยวก็มีคนมาบกุกเดี๋ยวก็คนไปสังหารก็นอู้นบีตอนนั้นมันวุ่นวายมากแต่นี่มันเริมเร่มเริ่มสยบละก็ต้องวางมาตรฐานของคนละเมืองหวงังมันก็ต้องมันก็ต้องมีโอกาส สำหรับมุสลิมบางคนนี่ยังยังไม่คิดนะเราก็ต้องบอกว่าที่ต้องยกเลิกพันธะต่างๆสัญญาไมตรีต่างๆที่เคยทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยโดยเหตุว่านบีกําลังสูร้รบกับกลุ่มนี้ท่านนบีก็จะได้ไม่มีปัญหากับกลุ่มเพรม่งนั้นนะถ้าสูร้รบกับทุกคนนี่ยนะอุยุง่งก็ด้ยําสัญญากับกลุ่มนี้บ้างทำสัญญากับกลุ่มนี้บะางะจะได้ท่านนบีจะได้มีเวลา ไอ้กลุ่มนี้กำลังบุกมาทำยังไงก็ต้องือต้องพยายามบริหารบริหารจังหวะแต่พอสู่ตะวับ้านตอนต้นนี่บอกว่าประกาศเลยมีสัญญันธะสัญญาไมตรีกับใครนี่ยกเลิกหมดและใครที่จะอยู่ในแผ่นดินในรัฐอิสลามเนี่ยก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องปรับสถานะของตัวเอง เราจะอยู่อยู่แบบไห น, นเอาแล้วกับคนที่เคยทำสัญญากันมาแล้วก่อนหน้านี้หละเราจะเราจะอยู่กับเขายัางไงแล้วทำไมเราต้องยกเลิกสัญญาไมตรีกับคนอื่นล่ะอละอนาั้นก็ะไรมาสอนสอนคนเหล่านี้ให้เข้าใจเหตุผลของบทบัญญาิขั้นต้นนีอลัลลอ كيف ي ك و ن للمشركين عهد عند الله وعن د رسوله إلا الذين عاهدتم عند ا ل م س ج د الحرام فمستقام و ا لكم فاستقيم و لهم إن الله يحب المتقين كيف جبنة ب د يعى ي ك و ن للمشركين عهد عند الله جبنة يعى كمشركين مشركين อ, อ๋อนมุสลกินนี่ก็คือคนที่บูชาร์จวินเฉพาะนะไม่ใช่มุสลิกินทั้งหมดนะมุสลิกินอากิดดาบเนี่ยเดี๋ยวจะมีอยายะเฉพาะเลยว่าย่อมทําสัญญาไมาตรีได้เพราะเขาจะเป็นอาฮิดิ ม, มเป็นชาวชาวสัญญาไมาตรีที่จะจ่ายภาษีอากรแล้วก็รับข้อการคุ้มครองจากการอิสลามแต่นี่กำลังพูดถึงชาวอาหรับที่ประกาศ เป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีตั้งแต่ต้นเลยและบูชาจวิดไม่ได้เป็นชาวอรุทิตาเป็นไปได้ไงแกคนเหล่านี้เนี่ยเุรษยีเหล่านี้ที่จะมีอย่างกูที่จะมีอาฮดุสัญญาใดๆอินดัลลอฮินะอัลลอฮ์เป็นไปได้ไงคนที่เขาบอว่าเอ้ากูมรามีสัญญาไม่ดีกับเขาเรา อัลล์าลที่ยกเลิกยกลิกสัญญาไม่ดีแล้วนะอัลลอฮ์กเหตุผลนี่ยทไมยกเลิกคนเหล่านี้จะเป็นสัญญาจะมีสัญญาเนาะอัลลอฮ์ و ع لا, د ي. ي ن, ن د رسوله لا رسولكم رأوا دينعي ي ب و ัญญาได้เนี่ยอิลล่ะ الذين راهتوم عند المسجد الحرام นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ําสัญญาไว้ที่ المسجد الحرام เท่านั้น อันนี้เนี่ยยืนยันตามพันธะเดิมไม่ต้องยกเลิกเพราสะศาสนาส่งเสริมให้รักษาสัญญาแต่คนที่ยังเป็นปฏิบัติและไม่มีสัญญาแล้วก็ก็มีเจตนาเหมือนเดิมนี่แหละที่ต้องการประหัตประหารมุสลิมอยู่แล้วคนเหล่านี้เนี่ยเราจะมาเราจะมามีสัญญากับเขาเด้งให้คนที่เคยมี สัญญาที่เคยทําสัญญาในมัซเซอรอัลฮารอมีหมายรวมว่าสัญญาที่ท่านนบีทํากับชาวกุเรชและบรรดาเผ่าพันธุ์ที่ฝักใยกุรชผมเคยบอกว่าสัญญาโซโลมีเมีวยวเนี่ยเป็นสัญญาที่แบ่งมหาชนในคาบสมุทรอาหรับนี่เป็นสองฝ่ายฝ่ายห น, นึ่งท่านนบีและอาหรับ ที่ฝักฝ่ายท่านนบีมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่มาฝักฝ่ายท่านนบีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือชาวกุริชและคนที่ฝ่ายฝักฝ่ายท่านฝักฝ่ายกุริชทั้งมีมีแต่พวกมุชลินเท่านั้นนะทำสัญญาสองฝ่ายนี่ก็าทำสัญญาไมตรียกเลิกการทำสงครามสิบปีแต่ชาวกุริชได้บิ้วสัญญา แล้วก็ไปบุกรุกกลุ่มชนหนึ่งของอาหรับที่คุซาหเนี่ยคุซาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากในฮะคุซาหนี่ฝักฝ่ายนบีทั้งีนคุซาหนี่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่ขาฝากฝ่ายนบีนบีก็ถือว่ากุเรชเนี่ยได้บิดผิวสนียาไมตรีก็เลยหลังจากนี้นะประมาณสองปีก็คือของโซโฮเบียเนี่ยปีทดหกอีกจ้ะสักคราพ่านปสองปีเนี่ยอูเรชบิดผิว นบีก็เลยไปพิชิตมักกะแต่มันมีกลุ่มอาหรับที่ฝักใฝ่กุเรชนี่นะเขารักษาสัญญามตรีแล้วเนี่ยแลวไม่เอาด้วยกับกุเรชแดีวจะมีรายลมากนี้ว่าชาวกูเรชเนี่ยไปรับการยุแย่จากบบักรว่าบบักรกับุานีจะทะเลากันแต่บรบักรียจะไปสู้รบกับขุาานี เพียงลําพังคนเดียวเขคนเดียวเนี่ยไม่ไหวก็ mm hmm. เ, เลยไปขอความช่วยเหลือจากกูเรชเนี่ยแต่ได้ช่วยไปบุกบัลนี่สังคมอาหรับตะกรอนเป็นแบบนี้ใครใครแข็งแรงกว่าป้นคนอ่อนแออ้าแต่กูไม่แข็งแรงอะไปขอความช่วยเหลือจากคนจะได้ไปป้นเขาแต่เขาอยู่กันอย่างงี้อิสลามมายกเลิกเรื่องนี้หมดเลย ให้แข็งแรงกว่าก็ไปป้นคนอื่นนี่อ่อนแออิสลามท่านอบีมาจากระเบยียบสังคมเนี่ให้เกิดความสงมบบรรณุบักรก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากกุเรชเนี่ยจะได้ไปถ ล, ลม่มคุราไปป้นคุราขุราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากท่านอะบีทีน่นี่ในบรรณุบักนี่มีสองสามตระกูลนะเขาไม่เอาด้วยปรากฏว่าชาวกุเรชเนี่ยมีเผ่าหลายเผ่าที่เขาฝักใฝ่กุเรชเนี่ย คู่นํานกูได้ยือนเลยจัดเลี้ยงเลี้ยงเลยเขาบอกแล้วก็เรียกเข้ามาเขาบอกนี่ผมแถมเองเลี้ยงเลยแต่ก่อนนั่นเขาเช็ดอูดแลนะ้วหน่อเช็ดอูดอนเนื้ อ, อยังเด้งแป้งไม่มีแล้วเลี้ยงไครที่ไหมเลี้ยงขเขาก็เลยยอมยกเว้นสากลุ่มเขาไม่เอาด้วยเฮ้ยเรามีสัญญากับกับมุฮัมมัดนี่เราไม่ยอมและเปมุสลิมด้วยนะเราไม่เอา แต่คุณเด็กเนี่ยไปรอคนอื่นเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงผมเล็กถึงไอเรื่องเลี้ยงนี่มันมีมันมันห่านแล้วเนอะะจะจะซื้อเสียงใครจะให้ใครบิดพิ้วจะให้ใครพลิกเลี้ยงเหรอมีพน้นนะเออทำไมโรงแรมเขาจะมีเขาจะมีห้องเลี้ยงใหญ่ใหญ่เอี่มีห้องเลี้ยงห้องวีไอพี แวทำนักการเมืองเนี่ยเวลาเวลาใกล้ใกล้เลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีประชุมแล้วก็เลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเลี้ยงนี่มีมานานแล้วเลี้ยงซื้อเสียงเออแล้วไมนักการเมืองลงบางพื้นที่นี่จะซื้อเสียงชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงแล้วมัวเลยเลี้ยงชุมชนเลี้ยงสัมบรุษมัสสิดนี้เลี้ยงใครเลี้ยงนักการเมืองคนนี้แต่เดีวนี้รู้เลี้ยงได้หรือเปล่า ให้ให้สัญญาจะให้ให้นีสัญญาว่าจะให้ใบแดงเลยนะยนเนี่ยนนทใบแดงแต่ก็เลี้ยง ก, กันนะก็เลี <S <S ้ยงกันสามตระกูลในพวกบนรบักเนี่ยไม่เอาด้วยนี่แหละที่ทีท่านน บ, บีได้บอกที่อล l l ได้บอกว่าวอิลลัยกุเอนที่เคยสัญญาจะยินดานั่งอัลเมซีอัลฮะรามี และเขารักษาสัญญาเนี่ยพวกนี้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ปฏิบัติตามพันธะไม่ต้องบิดผีกับเขาเพราะเขาไม่ได้บิดพีว่เราจะมีอายะชั่ายหลังจากนี้แต่นี้มันมีนีกหนึ่ง عند المسجد الحرم คือสุลฮุลฮูดบียานี่าคือท่านนบีออกจากมดินานี่ท่จะจะไปทำอุโมงค์หรอก็เลยแต่งชุดอีรอม แล้วก็ดาบนี่เก็บไว้ไม่คือคนที่เขาจะไปสู้รบเนี่ยสวมอาวุธนี่อาวุธนี่มาหมาพกพาดาบนี่ก็อยู่กับตัวนี่เขาจะไปสงคราม่ยแต่นี้ไม่เขาไม่ได้เป็นคนจะไปทําอมรอกก็เลยเก็บอาวุธพาไปด้วยแล้วต่เก็บไว้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่าไม่ได้ไม่ได้แขวนไว้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไว้แต่พอไปถึงมักกะแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงขอบเขตของ ดินแดนฮามเนี่ยมัสยิดฮามมัสยิดฮามเนี่ยมัสยิดไม่ใช่วหามัสยิดีีีกบานะไม่มัสยิดไม่ใช่เอดินแดนฮามนี่ข้อเขตฮามเนี่ยเถึงต้นบุญเชื่อฮุดยบียนี่มันอยู่นอกข้อเขตฮามชื่อฮุดบียละแจ้งทางกูเรียี่ว่าจะเข้ากูเรบอกว่าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็เลยส่งคนไปเจรจาเจรจาไปเจรจามา ถึงขนาดที่นบีสุลตอัลมาลิมีอัฟฟานราะเข้าไปจรจาจายนานหน่อยเนี่ยจึงมีข่าวหลุดว่าเขาสังหารอัมานไปแล้วนบีก็เลยเรียกซาบานี่มาใส่ตายบานวาจะสู้รบจนตายเลยใต้ใต้ต้ตตนไม้ต้นหนึ่งที่ <Hey. S 1> อัลฮูดัยเบียเนี่ยจึงถูกเรียกว่าชาวต้นไม้นี่คขาอาหรับเบยอดชชตจอร์ดิโธสัญญาที่เขาปฏิญาณตนกับ น, นบีว่าจะอุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้สําหรับ ของอิสลามแต่หล al ังจากนั้นเนี่ยสรุปแล้วว่ากุเรชก็เลยส่งเซฮ์ลิบนออัมรเนี่ยมาแจ้งท่านนบีว่าเออที่คุยกับอุสมานเนี่ยเราโอเคแล้วแต่ปีนี้เนี่ยขอนบีไม่ทําองครับไม่อย้างนั้เราจะเสียชื่อยอมยอมให้นบีเขาทำองครับอยู่ดีอาราบโอ้แสดงว่ากุเรชนี่แย่แล้วยอมมุฮัมมัดทุกอย่างแล้วขอให้ท่านเนี่ยมาองครับอีกแน่แล้วขอให้เราเนี่ยอายุติสงครามสิบปี และถ้าคนที่รับอิสลามในหมู่พวกเราเนี่ยหนีไปหาท่านเนี่ยท่านต้องคืนกลับมาแต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในหมู่พวกท่านเนี่ยหิดผิวแล้วก็ไม่เอาอิสลามแล้วเนี่ยตกศาสนาแล้วเนี่ยหนีมาหาเราเนี่ยเราจะไม่คืนกลับให้ท่านนมิยอมทุกขึ้นเงื่อนไขเลยเพื่อจะได้ยุติสงครามจะได้มีเวลาดาว่างเห็นเป็นไรสั่งว่าบางท่านถึงว่าไม่ค่อยพอใจนะท่านนบีต่นบตนบีรับ อันนีอาจะอัลลอฮ์แล้นี่ว่าเดินหน้าเลยจะได้ดาว่าอย่างเดียวมีพันธสัญญานี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อัลดเบียซึ่งอยู่นอกขอเขตอัลฮ a รอมแต่ในคุณอ่านบอกว่าอยูมัสยิดอลฮอันนี้มันเป็นสำนวนนั่นภาษาอับเดียวเข้าใจอนะมีบางคนบอกว่าเออไม่ไม่ละเอียดไม่ใช่ในสำนวนภาษาอับเนี่ยนะนะในมัสยิดอลฮ ARAM เนี่ยเขาางว่านะเนี่ยอยู ไม่จำเป็นต้องอยู่ในในขอบเขตฮารอมนะอ้นักที่นั่นะเออมันอาจจะอยู่ไกล้ิดก็ได้ก็เป็นเรื่องจริงว่าอัลกุดเบียรอยู่นักที่นั่นใกล้เคียงกับที่นั่นฟาเมสต์คามูละกุมวาสต์กีมูละห่มดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงธรรมต่อพวกเจ้าในสัญญาไมตรีนี้ ฟาสตากี้มูเลห์มก็จงเที่ยงธรรมต่อพวกเขาตาข้อตกลงทำตามข้อตกลงซึ่งในข้อตกลงนี้ท่านนบีได้ทำสัญญาไมตรียุติสงครามกับกุเรชและกับคนที่ฝักไฟกูเรชเนี่ยสิบปีแต่เพราะกูเรชได้บิดผิวกูเรชก็เลยอดงี้เพราะผิดผิวสัญญาสัญญายุติสงครามนี้นบีก็เลย ยกเลิกสัญญานี้แล้วก็ไปพิชิตยุดมักกะไปละแต่มันมีกลุ่มที่เขายังยังรักษาสัญญาเนี่ยสิบปีผ่านไปแล้วสองปีทําสัญญาวันปีที่หนในปีที่ปีที่แปดผ่านไปแล้วสองปีนะที่พิชิตมักกะนีนบีก็ไม่แต่ปีที่เก้าที่ท่านนบีทรงอาลีนบีต้อนไปประกาศสุดอัตตาบ้านให้คนรู้เนี่ยว่าเราวิ่ให้สี่เดือน สี่เดือนเนี่ยสำหรับคนที่เคยมีสัญญาไม่กรีแต่ไม่กําหนดเวลาให้กําหนดเป็นสี่เดือนหรือกําหนดเวลาน้อยกว่าสเดือนเนี่ยให้เพิ่มไปถึงสี่เดือนยกเว้นไอ้คนที่มีพันธสัญญาแล้วเนี่ยให้ปฏิบัติตามระยะเวลาของเขานี่ลีกุ่มเนี่ยก็หมายถึงว่านูน่นสิปีให้ครบสิบปีในเมื่อเขายังรักษาเนี่ก็ เราบอกว่าฟัสต้กี้มูลห่มกายเทียงทาตามข้อตกลงนี่เป็นข้อยกเว้นจากเรื่องสี่เดือนนะจากเรื่องสี่เดือนของอายาแรกอายาที่สองของสุอัตบัตถูกถูกยกเว้นว่าเออควกนี้เนี่ยมากมากกว่าสี่เดือนได้เพราะเขาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ได้บิดเพีวยทํ uh ้งยายนะอัลลอฮ์ยุฮิบมุดตะกนริมอลลอฮนั้น สรงชอบบรรดาผู้มีความยมตเกรีสแสดงว่าสแสดงว่าหนึ่งในตะกวาของมุสลิมเนี่ยรักษาพันธสัญญากับผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอันนี้อันนี้ต้องที่ต้องหนักแน่นอะอมีมีที่บางคนไปเข้าใจว่าโอ้ทำมไม่ใช่มุสลิมนี่ ม่มีขอ้อผูกพันใดๆไม่ได้ไงเรียนเรียนเรียนรู้เรียนรู้ <univers> จริงหรือเปล่านี่เอามาจากไหนเอะว่าจะไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นกาเฟ่นี่นหแม่ป่นก็ได้ฆ่าก็ได้เอามาจากไหนนี่อันนี้อันนี้มือันนี้คำสั่งสอนของโจรป้นแล้วมาให้เหตุผลดิที่ที่อยากจะป้นอยากจะฆ่านี่มาให้เหตุผลทางศาสนาที่ไม่มีที่ไปที่มานี่นี่บิดเบือนศาสนาน่ะเขาก็จะเป็นกาเฟ่นี่ ก็ได้ค่ากระแดนนี่ไม่ใช่นี่โจรคำสังสอนของโจรแลร้วต้องพูดแรงด้วยนะเรนนื่องนี้ในยุคปัจจุบันในใครจะมาอ้างแบบนี้เนะ่ยโอ้จะเป็นทำไมชมุสลิมเ น, นี่ยนไดออ้มีไหม เ, ออเคยได้ยินมีและบางทีคนที่ก็จะถูกหล อ, อกลวงเรื่องนี้นะก็คือเยาวชนนี่แหละบ้านเราก็มีพื้นที่ ท, ที่อื่นก็มีคนที่อพยพ สลิมทีอุปยไป ย, ไปยูยูโรโอ้ยกาแฟมี่ปนได้ขโมยได้ส่วนมากคนที่พูดเนี่ยคือคนที่บว่ามาหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทํางานอะไรนี่มีรายได้เงี้ยเหรอกระป้นนี่ส <c oughs> แล้วพอจะป้นแล้วนะก็เฮ้ยกาแฟอ้าคุณจะเอาอมาอ้างเรื่องศาสนาคุณต้องการปน้นคุณต้องการมีรายได้แต่ต้องการความชอบเนี่ย มันถูกต้องไะเนี่ยพอจะทำพอจะทำดีนะกูน่ดีเหมือนก็รุ่นไงเขารวยรยเออที่รวยเนี่ ย, ย, ย เ, รนเนยพราะกูรู้กูมีมีความรู้มีความสามารถแต่พอมีความชัว่วจะทำชั่วนะอ้านศาสนาละ่ะพอจะทำความชัว่วอ้างศาสนาแล้วคนที่ทำสีน่ะ ف ا م ي م ِّ م م ْ و َ م ِ م م ِّ م ْ م و َ م م ِ و َ م ِ م ِ ه و َ و م ِ م م ِّ م ْ و َ م ِ م ي ّ ن ِ و م م ِّ م م ْ و و م ِ م ِّ م ِّ و م و َ م ِ م و ر م ا ل ِّ م ِ و َ و ا م ِ م ِّ و ا و َ و َ م ِ م ِ و ا م ِ م ِ م و ا م เมื่อได้ทำฟชะลมุกอนาจารเขาบอกว่าบรรพุรุษได้ทากันมาและอัลลอ์ชวให้เราทาคุณอินนัลลอฮะรายมุรุบิลฟะ์ชะแตจงนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอ์นี่จะช้ให้ทาสิ่งลมุกอนาจารเป็นไปไม่ได้ l g g b บบ plasma อ๋อมันอยู่ในดีเอ็นเอมายถึงว่าเราเกิดมาพระเจา้านี่สร้างเรามาอย่างนี้นี่นี่เหมือนเลยแสดงว่าสิ่งที่เราทํานี่นะมันก็คืออ่ายิ่งจะเป็นมุสลิมเป็นตระดูลของ AH. อัลลอฮ์ไอเรื่องความชั่วนี่ไม่ต้องมาสอนฉันนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกันล AH. ้อได้ไหมไอเรื่องนี้ไม่ต้องมาสอนฉันเ <c oughs> ป็นเรื่องระหว่างฉันกันล้อ โอ oh. เดี๋ยวฉันก็บเราไปคุยกันเองเงืนน่ะไม่ต้องมีความชั่วอะไรเลยนะใครกินเหล้าใครไปค่มขืนคนอื่นเอย้ยไม่ว่าฉันนะ่ะเดี๋ยวฉันตีเครียกับตัวหันชันเองไม่ต้องมีกฎหมายเลยสิถ้าเป็นแบบนี้แต่เรื่องระหว่างฉันกับตัวหันเหรถ้าไม่ใช่ เรื่องระเบียบเรื่องอะแม้กระทั่งการบังคับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยคนที่ไม่นับถือศาสนาของตัวเองคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่มีวัฒนธรรมไม่เหมือนตัวเองน่ะแต่มีข้อตกลงกับเขาต้องรักษาข้อตกลงนี้เพราะอัลล์ชอบคนที่ตั ก, กว่าแสดงว่าอัลลอ์ชอบคนที่รักษาข้อตกลงสัญญากับคนอื่นมันอยู่ในเนื้อของตะ ก, กว่า อันมีวรรคตะว่าละมาศสะอาดโอ้โหอ่านกุศอ่านซิกรุลเนาะแต่บิดผิวในข้อตลกลงคนอื่นท่านนะขาดตกว่าเอ้าคนละมาศคนอ่านกุอานวรรคเคร่งขัดขนาดนี้เนี่ยใชโครงสร้างของอิสลามเนี่ยเราไม่ได้วางกันเองนะเราไม่ได้วาดภาพของอิสลามเนี่ตามอำเภอใจของนี่นี่คืออิสลามก็ ถ้าหากว่าเราถ้าอิสลามนี่มาจากดวงใจของเราอะนะเราก็จะวาดภาพสิ่งที่เราได้ทํานี่คืออิสลามไอ้สิ่งนี้ละมันผิดหลักการศาสนาเนี่ยเราจะไม่วาดภาพมันไม่เกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเราสังเกตนะคนที่จะตําหนิคนอื่นนะชอบตําหนิคนอื่นในเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับหลักการศาสนานี่นะก็จะมีสอประเภทแล้วคนที่จะตําหนิคนอื่นเฉพาะสิ่งที่เขาทา คนอื่นอสมมติว่าคนละหมาดแต่เห็นคนอื่นไม่ละหมาด ก, ก็จะตําหนิแต่สมมติวเขาได้กินดอกเบีย้ยเพราะคนอื่นเขากินดอกเบีย้ยไม่กล้าตำหนิไม่พูดเรื่องเรื่องนี้เลยแล้วเขาจะไปย่พยายามหลอกตัวเองว่าอิสลามก็คือละหมาดเพราะถ้าเขาทําละมาหมาดไงอิสลามนี่คืออิสลามเท่ากับละหมาด แสดงว่าฉันละหมาดแสดงว่าอิสลามฉ่นไ้สมบูรณ์แลต่เรื่องอื่นล่ะเรื่องอื่นในเขาหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่อิสลามหรือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆของอิสลามฉันฉันจะละหมาดทฤษฎีอัลกุก็ดูทุกอย่างครบถวทุกอย่า ง, างนะแต่เรื่องข้อตกลงเรื่องสัญญาผิดสัญญากับคนอื่นนี่นะยืมไม่คืนไม่คืนเงินยืมตังไม่คืนตังขายก่โกงฮะโกงลูกค้า เออซื้อของไม่ไม่ส่งของตามสัญญาอะไรๆไที่เราเจอกันเยกอกโกงสินค้าโกงคุณสมบัติของสินค้ามองว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องเราเล็กๆทุจริตรับสินบนเออเตือนพี่น้องมุสลิมที่เป็นเจ้าหน้าที่นี่เขาเจอเยอะมาเงินนะเราไปหน่วยราช ก, การ ต้องันีต้องทำเอกสารนั่นละมันมันเป็นบางกายเป็นอภิสิทธิชนน่ะมันเหมือนสิทธิที่ต้องมันโดยปริยายไม่จ่ายงานก็ไม่ผ่านบางทีเนี่ยเออมันมันไม่มีไม่มีทางอื่นแต่เราเข้าใจว่าเออคนที่ตพืชแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นมุสลิมามช เขาเรกันบบงเหมือนเงินทำสินบนเหมือนเงินแตนควา ม, มอย่างเนี้ยรับจ้างลูกความในคดีที่เขารู้ว่าลูกความลูกความเขานี่โกหกมดเท็ดขึ้นสารสัญญาสาบานสาบานตามมีสา บ, าาสาบาคาสาบานของมุสลิมด้วยนะสาบานด้วยพระนามของของอัลลอฮฺรู้ว่าสาบานเท็ด ทานายนี่ก็เบิดความเท็จรู้ว่าเบิดความเท็จแล้วก็เป็นบังเหมือนเงนรู้จักกันได้มั น, นมสู้เราเป็นบังเหมือนเงนพอไปดูเนี่ยพักระหว่างคดีเนี่ยเขาไปพักวีธีะมาดในศาลไม่มีทีลออ่ลมาดเขาละหมาดเหมือนกันนะเออคนที่เบิดความเท็จเอกสารบรเท็นี่ก็ละหมาดเหมือนกันนะเขาแสดงว่าเขาใจยังไงอะดำรงอาชีพ เห็นต <ne> uh, ัวรู Cham ้ตัวช sí, ัดๆว่ากํา <kl> ล <aring> <work> ังเนี่ยสาบานคือสาบานเท็จนี่บาปใหญ่นะเบิกความเท็นี่เขาหลุดรูนี่บาปใหญ่นะรับจ้างลุกความในคดีที่เขารู้ก็นี่เขาบอกกับบาปใหญ่นี่หลอกล่วงนะนี่บาปใหญ่ัรงนั้นน่ะแต่เขาเข้าใจว่าอ๋อละหมานี่ละหมานแล้วก็อันนี้ก็สวนนี้ นี่นี่คือปัญหาใหญ่ในการที่ปรับคุณสมบัติของพ ล, ละเมืองนี่รวมถึงจัญญาบรรของพละเมืองนะว่าต้องรักษาไม่ใช่รักอย่างเดียวที่จะรักษาพันธสัญญาสัญญามมตรีกับทางศาสนิกแล้วก็มุสลิมทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นมุตตีนเป็นผู้ยำเกรงอัลลอ์ที่ทำหน้าที่รักษาข้อตกลงด้วยมันอยู่ในคุณสมบัติของพลเมือง รัฐเนี่ยให้วีซ่าแล้วให้วีซ่าการให้วีซ่านี่ถือว่าเป็นการให้ความปลอดภัยเข้ามาในในประเทศนี้นะต้องรับความปลอดภัยแต่พรากฏว่าที่ได้วีซ่ามานี่โอ้เป็นคนที่แค้นมันเคยมันเคยทำเรามันเราเราก็ชวยโอกาสเราเราถึงแม้ว่าเป็น คนต่างศาสนิาหรือเป็นคนต่างชาติเนี่ยเมื่อได้วีซ่าเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนคนละเมืองทั่วไปเข้ยมันก็ไม่เหมือนเขาคนละสัญชาติเขาคนละศาสนาไม่ไม่ใช่ในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมีวีซ่าแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรับสิทธิเหมือนคนอื่นเ ป, เ, ปเป๊ะๆกูไม่ได้ออกวีซ่าให้มันใช่แต่รักออกวีซา่าและเราและเราและเราต้องมีความ มีจัญยาบัณของพลเมืองที่ร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆอันนี้นี่นี่นี่ที่อิสลามให้สอนว่าอิสลามนี่เราจะแบ่งแยกตามอำเภอใจแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการให้ให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นอันนั้นนะมาร่างให้มันเป็นคุณสมบัติของของมุสลิม สว่วนใดที่เราทำไม่ได้หรือเราแยากยืนบิดผิวอ่ะนะอันนั้นเราก็แยกออกเราจะได้สบายใจว่าเออเราก็ยังเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ถึงเป็นเหตุผลน่ยอัลลอฮ์นี่ทิ้งท้ายอายะนี้และหลายอายะนีเราจะสังเกตว่าอายะนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทิ้งท้ายหลายอายะนี้แบบเนี่ยอินนัลลอฮ์ยุฮิบุลมุตตะกิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้ททลลนทรงชอบบรรดาผู้มีความเยี่ยมเกลีย เกี่ยวอะไรกับการเงเกียงกัาเงินเกี่ยวอะกับลังปุ่นเรื่องข้อตกลงนั่นแหละถ้าเราข้อตกลงนั่นนั่นนะส่วนเรื่งของความยม่แกร่งทางนั้นสมานุกว่าฉะนั้นอีเลทนบีบอกเลบันติบุบุคาริลมุสลิมอายตุลมนาฟิกท่านะสามีเลกแต่ลิกของมนาฟิกนี่สามีถ้าหดสักดับไม่พูดแล้วนี่ก็หัว ว่าวาอขลเมื่อสัญญาแล้วเนี่ยผิดคำสัญญาว่า إ ตมินาค่นเมื่อถูกถูกฝากไว้ให้รักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาจะผิดพิ้วคำมัม่นสัญญาที่สัญญาอมานะที่คนเขาฝากไว้ก็แสดงว่าจะได้ไม่เป็นมุนาฟิกเนี่ยเราเราจะต้องหลีกหางออกจาก ลักษณะ3มลักษณะนี้ร่งบิดพิวรเรื่องสัญญาเอคนที่โกโหกบ้างนะคนที่โกโหกบ้างคนที่ผิดสัญญาบ้างโอ้โอเมียโกหกสามีมีมีกันหมดเลยโกหอาจารย์โกหเพื่อนโกหกเจ้านายโกโ ลูกจ้างกหมีก็บ้างก็มีส่วนหนึ่งของความส่วนหนึ่งของความเป็นมมนาฟิกแต่ไม่ได้เป็นมมนาฟิกท่านนายใครที่มีส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งของความเป็นมมนาฟิกแต่ถ้าใครมีทั้งหมดเลยอ่านัก็เป็นมมนาฟิกสมบูรณ์แต่นั้นเวลาโกหกทีหนึ่งนะอุลามาก็บอกนะโกหกครั้งเดียวเนี่ยไม่ใช่บาปใหญ่ โก้คร oh, ั้งเดียวนะครั้งเดียวโอ้ลูกรรยาถามไปไหนมาอ๋อ oh, mm hmm. ไปทํางานเราไปเราไปที่อื่นไปทํางานโก้ค oh, ร mm hmm. ังเดียวแ mm hmm. บบเล็กหรือแบบใหญ่แ mm hmm. บบนี้ mm hmm. แต่แบบนี้ทุกวันล่ะฮะ mm hmm. <Huh? S 2> อยู่ไหนอา oh, ไปเยี่ยมไหมอยู่ไหนไปเยี่มบ่อยู่ไหนไเออเ น, นี่ย ไปเยี่ยมลูกเยไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมปะโหทุกวันทุกวันทุกวันโหกตุการเป็นบางใหญ่ถ้าทุกคาพูดนี่โกหกหมดเลยโหกกับเมียโหกับเพื่อนโหกกับคนรู้โหกโหกับคนหมดเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยมีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์หนึ่งครบละหนึ่งครบยังเหลือตอไปดูยางอื่นแต่สัญญาล่ะคือ ทังเดียวนี่บาปเล็กแต่เวลามันเยอะนะมันจะกลายเป็นบาปใหญ่แต่เวลามันครบนะมันจะคือความเป็นบุนาภิกส่วนหนึ่งละหนึ่งในสามละเป็นบุญนาภิกมันไม่ใช่เร่งเล็กมันไม่ใช่เร่งเล็กแล้วนะแทนเราไม่สามารถสู้ดกคนโกหกเยอะเราไม่สามารถบอกเขาเป็นบุนาฟิกไม่ได้นอกจากว่าพูดอะไรก็โกหกสัญญาอะไรก็บิดผิวอานะอะไรก็ไม่รักษาเลยแบบนี้เนี่ย ซึ่งไม่ค่อยมีนะมุสลิมที่มีทั้งสามอย่างนีครบถ้วนทุกกรณีเลยไหมนีมา่าัา่วแตะทำเขานี้มีแบบนี้ตลอดเลยนะอันนี้ไม่พบ่งนะนอกจากว่าต้องเป็นบูนาฟิกจริงๆก็มันวคือหมายถึงว่าใจเขานี่ไม่ใช่มุสลิมมีสมมุสลิมแล้วเอออาจจะมีแต่ถ้าใจลึกๆเนียงเป็นมุสลิมมานะเออมันมันมีอะ ม, มุสลิมที่โกหกมีมุสลิมที่ติดสัญญามี มุสลิมที่ไม่รักษาอามานะ้นมีไหมอันนี้มีมแต่จะทําหมดตลอดเวลานะทุอันนี้ไม่ไว้มือนกันนะคือจะเป็นมุสลิมเป็นไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นมุสลิมอต่ีจึงบอกว่าวอ้มันแกนตฟีหินนะแค่ดีที่สุดแกนมุนาฟิกันาวิสนใครที่มีทั้งสามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะก็จะเป็นมุนาฟิกค้าวิสมุนาฟิกบริสุทธิ์หมายถึงว่าไม่ ไมมีปอนอย่างอื่นเาพิจเต็มตัวเของแท้แต่ที่เ็เนี่ยกลจะเป็นไปได้ไงทั้งหมดเนี่ยจะได้ให้เหตุผลว่าคนที่กำลังอึดอัดใจว่าเราจะไม่เราจะยกเลิกสัญญากับพวกนี้ดีเขาเป็นปฏิบัติกับเราจะรู้เรื่องสัญญาอย่างไงเอ้วจะเ ป, เ, ปเป็นเป็นไปได้ไงที่จะมีสัญญากับอัลลอฮ์ทั้งนั้นที่เขาบิ้ว ก่อนหน้านี้เนี่ยหมดทุกคนที่ไปพิ้วอย่างชาวคูเรช่องไปพิ้วอายะที่แปนี้ก็หมายถไม่กินคี่ฟ้ากฟ้อันนี้ก็ตามสำนวนในอายะก่อนหน้านี้ก็หมายถึงว่าจะมีสัญญาได้ไงจะมีสัญญาไดๆยังไงเป็นไปได้ไงวอ้ฮรุอะลเลกุมไลร์คุบุฟีกุมอิลลวะลาดิมม่าเลฮาโคข์เขามีใชยชนะ เหนือพวกเจ้าเอียวเราะวาดแต่เขาชนะพวกเจ้าแล้วสักครั้งนึงอะนะพวกเขาก็ไม่คํานึงถึงเครือญาติแหลวกู้บูเขาจะไม่คํานึงฝีกลุ่มอินลนความเป็นเครือญาติไม่มีละยากไอ้นี่เนี่ยมุสลิมนี่บอกโอ้ยากเราที่ไม่ใช่มุสลิมเนีย่ยเราจะยกเลิกสัญญาไม่ตรีกับเขาได้ไงมันก็เขานี่แหละถ้าเขาชนะแล้วอะนะแต่เหมือนสงคำบัต พ่อที่เจอลูกที่เป็นมุสลิมนี่เนะี่ไล่ล่าเนี่ยจะฆ่าลูกอ่ะลูกก็เลีย่ยงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอกับพ่อจะได้ไม่ต้องปะทะกันแต่พ่อนี่ไล่ล่าลูกอย่างจะฆ่าละอักูบูเขาไม่คำหนึงเลยความเป็นเครือญาติเวลาดิมมและพันธสัญญาใดๆที่คุมในหมู่พวกเจ้ายูรดูนกุมบีอัฟวัยมพวกเขาทาให้พวกเจ้าพึงพอใจ ประ จ, จบให้พวกเจ้าพอใจโน้มน้าวเออพูดพูดอะไรให้เราพอใจอย่างเดียวฉะนั้นอย่าถูกหลอกจากพวกเขาเิอยฟัวร์ฮิมด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้นแต่ใจเขาเนี่ยไม่บริสุทธิ์กับพวกเจ้าวัดแทบคูลูบูมโดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธปฏิเสธที่จะประนีประนอมกับพวกเจ้าวอักเซบุมฟาซิโูและส่วนมากของ พวกเขานั้นเป็นผู้ละเมืดไดฟ่าจะมีสัญญาใดๆอย่างไรแล้วอียบเหรออะไรก็มด้วาพวกเขาได้รับชัยชนะเหนือพวกเจ้าแล้วและอัลกูบูพวกเขาจะไม่คํานึงถึงเครือญาอิลลันเครือญาทศนาระมาโซบอกว่าอิลลันแปลว่าเครือญาทิมัสอารับนะแท้ๆนะมุจจัยบบอกว่าอิลลันทีจริงอิลลันแปว่าอีลัน ร vertex, ืออิลอิลันเนี่ยมาจากอีลออลั้นอลันแปลว่าอัลลอฮ์อีลแปลว่าอัลลอฮ์เราคบเขาไม่คานึงถึงอัลลอห์รือสัญญาได้ไงออัลลอ์ไม่เหมือนา้คนนี้ไม่กลัวล้อหรอกคนนี้ไม่กลัวทหันหรอกแต่ว่าอะไรอย่าไปอย่าไปเกณฑใจคนนี้ก็ไม่กลัวลแล้วนี่เขาไม่คำนึงถึงอิลันไม่คำนึงถึงอัลลอมาจากไหนอ่ะ جبرائيل إ س ر ا ف ي ل ميكييل إسرائيل ب ا و م ي ل ن ب سعى ب ر و ب س ع سريانين و الله إيلنا إسرائيل เนี่ ي، ผู้เที่ยงธรรมในหนางของ إسرائيل เป็นฉายารเป็นชื่อของท่านนบีบ จิบริลมิคาอิลอิสราฟิลอิมะบุคหรีเรงงานจะติบอกว่าแปลวาจิบริลอิสราฟิลมีคาอิลเบ้าอัลลอฮ์อีลเบ้าอัลลอฮ์ก็เป็นภาษาสุเดียนีภาษาฮิบรูที่ทับศัพท์ในคุตัานนี้ก็ทับศัพท์แสดงว่าแสดงว่าคุตันก็ใช้คาว่าอี อนนี iam, as, ้อมีมาดิบรีมีมาดิบรีมเยอะยอะอิสราฟีมีมีกอิลกมีทัพัาุรานก็ใช้ไงอิลเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยใช่ทัพสัมมาจากภาษาอื่นแต่ในกุรานก็มีเยอะไงใช่ครอลมาบางท่านบอกว่าอิลลงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเครือญาติอิลงนีแปลว่าอินแปลว่าอัลลอ์เาไม่คำนึงถึงอัลลอฮ์ไม่คำนึงถึงอัลลอฮ์นี่ไงหนึ่งปฏิเสธอัลล์ สองปฏิเสธระสุลปฏิเสธพระดํารัสอัลลอฮ์แค่นี้ไม่เป็นเหตุผลนะว่าเขาไม่คำหนึง่งถึงเขาไม่เอาอัลลอฮ์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพออัลลอฮ์เอ่อยแล้วนี่นะมุสลิมเนี่ยที่เคยอยู่ร่วมต่อสู้กับท่านนาบับดุลเนี่เขาจะนึกเลยตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่เอาอัลลอฮ์จริงด้วย มีแค่ตอนทำสัญญาสุลฮุลฮดยบียเนี่ยตอนทาสัญญานะอาหรับทั้งหมดเลยอาหรับทั่วข้าส ม, มุทรอาหรับเลวลาเขาจะทาข้อตกลงใดๆเนี่ยเขาก็จะเขียนบิสมิกลลาหุมมาโดยพระนามของพระองค์ท่านอัลลอฮ์พอเขาไปทำข้อตกลงสุฮลฮุดัเบียกับท่านนาบีผู้ที่เขียนข้อตกลงในท่านอาลีม์นบีตอ นบีก็เลยสั่งให้เขียนบิสมิลลาฮิห์มานรฮม่งบิสมิลลาหราะมานรฮมเนี่ยเป็นคำนวนที่ชาวกุเรชเนี่ยเขาได้ยินท่านนบีอ่านเมืเขาก็เลยรู้นี่มันอยู่ในคุร์านรู้ว่ามันเป็นเป็นเป็นคดรัสที่อยู่ในคุร์านแต่โดยแท้นี่นะเนื้อหาเนี่ยของบิสมิลลาด้วยพระนาองระูงเมตตาเสมอนะมันก็ไม่ขัดอะไรมาก กับค um ําว่าบิสมิลลาห์มาซึ่งอาร랍ทั่วไปเนี่ยเขาใช้กันผู้นํากุริก็บอกว่าไม่ไม่เขียนบิสมิลลาเพราะแต่บิสมิลลาเนี่ยแสดงว่าเราก็ยอมรับในกุอานยอมรับในตัวท่านยอมรับในอัลลอฮ์แต่เราไม่ยอมรับในเราแค่ทําข้อตกลงยุติสงครามเราไม่ยอมรับนี่กําลังทําสนกําลังทําสัญญาไมตรีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะยุเราจะเออจะเป็นมิตรกันน่ะแค่เขียนบิสมิลลาห์เราหามเราหิมยังไม่ยอมเลยอ่ะโอ เออพอล l l a h บอกว่านี่เขาไม่คํำนึงถึง Allah นี่เออใช่เลยนี่แค่กําลังทําสัญญาสัญญาไมาตรีเนี่ยแค่บิสมิลลาเขายังไม่ยอมเขียนเลยละล้วกำตัดหนา้าละการอ่นนา้าไม่เกิดถ้าเราเขียนแล้วแสดงว่าเราศรัทธาในตัวทา่านในฐานะที่เป็น رسول ว่าแล้วที่นุกตุบบิสมิกัลลอฮฺม์แต่ต้องเขียนเหมือนนี่พวกเราทุกค น, นเขียนกันบิสมิกัลลอฮฺม์นบีเคยประกาศก่อนหน้านี้เนี่ว ถ้าเขาจะเสนอข้อเสนอใดๆจะยุติสงครามนี่ฉันจะย้อมหมดย้อมหมดคือท่านนาบีเบื่อแล้วไม่อยากไม่อยากทาสงครามนาบีอย่ากดาว่านี่นี่เป็นเรื่องดุริเดเเราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดเยอะให้เยอะวัตถุประสงค์ของท่านนาบีหลักนี่ไม่ใช่สงครามอิสลามนี่ไม่มีภารกิจที่ทําสงครามตลอดชีวิตภารกิจของท่านนาบีนี่ถึงตรงผมเคยพูดว่า การเขียนชีว่นนาบริวของท่านนบีสุลลัลเลวเซลลัมมันจะมีความไม่เหมาะสมอย่างเนื่องจากว่าท่านนาบีเนี่ยตลอดสิบปีที่อยู่มาดีน่าเนี่ยได้ทาสงครามเยอะและในสงครามเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ยึะมากที่มันเกิดขึ้นชี้ว่าบริของท่านนาบีเนี่ยก็แบ่งตอนอยู่มื่ก้าวสิบสาปีเนี่ยนบีสู้รบอะไรไม่ไม่ได้สู้รบนบีทําเรื่องเดียวภารกิจเดียวคือด่าว่อย่างเดียวสิบปีเนี่ย ท่านในบีทำสงคารามเนื่องจากว่าสงคารามนี่มันมีเหตุการณ์เยอะแยะมันก็เลยถูกเล่าเยอะกว่าเรื่องของดาวะในสิบสามปีจึงทำให้คนเข้าใจคนบางคนเนี่ยเข้าใจว่าภารกิจของท่านนบีคือทำสงคารามซึ่งมันไม่ใช่เอาแค่เวลาเนี่ยระยะเวลานะนบีดาวะสิบสาปีมันก็สิบปีมาดีนะทำสงคารามแท้จริงแล้วในสิบปีนี่ก็ไม่ได้ทำสงคารามทุกปีนะ มทุกปีเลยแล้วไม่ใทุกปีเนี่ยจะมีสงครามปีละครั้งปีละครั้งนี่ไม่ใช่นะแล้วสงครามแต่ละครั้งนี่ไม่ได้มใช้ทั้งปีนะบสองเดือนนึกออกปะรวมแล้วเนี่ยสงครามที่ท่านนบีทเนี่ยมันไม่ส0ปีมันอาจจะประมาณ12เดือนเดือนรวมทั้งหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยปีเนี่ยอาจจะมีปีเดียวลเก้าอีกเกปีะดาว่าสรุปแล้วสมกับเกปีเนี่ยเท่าไหร่ละบปีหนึ่งปีนี่ รวมแล้วนี่ยี่สิบสามยี่สิบสองปีดาวะหนึ่งปีเนี่ยน่เราสามารถสรุปได้ว่าชีวิตของเรน่องในส่วนมากทำอะไรดาวะในกันในสุวนนี้มันชัดเจนนะว่าถา น, น ว, ว่าเขาจะเาว่าในทผมจะยอมหมดมจะได้ยุติสงครามนี้สัทีฉันจะได้มีมีโอกาสดาวะชาวอาหรับไม่อยากทำสงครามการสู้รบการเข่ขาขารสังหารกัน ใช้ดาบใช้อาวุธในการในการในการสู้รบกับคนอื่นอันนี้ไม่ใช่วัต ถ, ถุประสงค์หลักของอิสลามนี่แค่เป็นเครื่องมือระยะเวลาสั้นๆชั่วคราวเพื่อปกป้องสิทธิในการดาวะเท่านั้นเขานี่ไม่คำนึงถึงอำนาจไม่คำนึงถึงเครือญาติไม่คำนึงไม่ถึงไม่ได้คำนึงถึงเครือญาติใครใครที่เป็ศรัทธาต่ออิสลามเป็นลูกเองแท้ๆเลยนะ ยังจับขังซ้อมกรรมาเลนายแยรักษาเคยยากนายแยรักษาครยยาคนที่ศรัทธาแล้วก็หนีไปหานับีนเบีต้องเอากลับมานายแยรักษาแต่ถ้ามีใครตกสาสนาอังกฤนาบีที่เป็นเป็นเครยากเขาอ่ะนายบีจะไม่แตะต้องเขาแล้วก็ส่งเขากลับนบีไม่ห้ามเขาไม่ได้นายบีก็ยอมนี่หาแยรักษาเคยยามั้ยใครรักษาเคยยาใครไม่รักษาเคยยา อ๋อเขากำลังบอกกับคนที่กำลังอิดอัดใจว่าโอ้เราจะเราจะประกาศสงครามจะประหัดประหารคนที่กําลังทําสงครามของเราแล้วก็เครือญาติของเราล่ะและสัญญาต่างๆที่เรามีต่อเขาล่ะอัลลอฮ์เลยมาให้ผลว่าเคนที่ t, ประกาศปฏิปักษเป็นปฏิบัติกับนบีกับอิสลามแล้วเนี่ยเขามีแผนในการที่จะประหัดประหารมุสลิมในการที่ทำลายอิสลามอยู่แล้ว เราไม่ควรที่จ ะ, ไ ม, จะไม่ควรที่จะอึดอัดใจในคาสั่งสอนองลอสพาโนดาละซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับคาสั่งสอนนี่อย่างเดียวนะเกี่ยวกับทุกทุ ก, ทกคำสั่งสอนในอิสลามอี่ยแล้วมันจะสวนกลับมาทำลายอะไรบางอย่างที่เราสอนเราเป็นผู้พิพากษา คนโน้นเจ็บายาเสบติดคุกคนโน้น้าตกรทรหารคนโน้นทุจริตคุกคนนั้นปับ๊บกฎหมายของตัวเองเนี่ยตัวเองดำรงกฎหมายตัดสินคนอื่นนะปับปบปบปบป๊บแต่พอลูกตัวเองขึ้นศาลน่ะใจปราธานาธอบดี อาเส้นทางหาลูกจะได้รอดจะโทษโทษที่ตัวเองเนี่ยตัดสินคนอื่นไปหมดเลยแต่ว่ามาถึงลูกตัวเองอ่ะนะที่จริงคนเราส่วนมากเนี่ยก็มีพฤติกรรมเหมือนผู้พิพากษาคนนี้แหละว่าลูกคนโน้นไอ้ลูกมันติดยาไอ้ลูกแล้วมันยังงูนี่มันทาสีน่าลูกมันทำสีนะเพราะมันเป็นคนอื่นทั้งนะั้นแต่พอมีคนมาว่าลูกเรา แล้วก็ทำจริงๆไงนะเฮ้ยใครมาว่าลูกฆ่าไม่ได้เหมือนกันเลยเรามีกฎเกณฑ์อะไรกับคนอื่นน่ะนะแต่พอกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์นเนี่ยละมามาใช้กับเราเนี่ยเราอึดอัดใจการศาสนาก็เป็นอย่างนั้นนะและการศาสนาเนี่ยเวลาเราใช้ใช้กับคนอื่นด้วยความเคร่งครับ เพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมเราต้องเ ค, คกับกับเรื่องหลักกรศานาต้องยิ่ขัดแต่พอมามาปฏิบัติกับตัวเองกับเครือญาติกับท า, ายาทกับตัวเองอะนะก็จะอึดอัดใจเรื่องนี้นี่ผู้คนเนี่ย ก, ก็ต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต้องตรวจสอบแล้วคนที่ลําบากใจมากที่สุดเนี่ยเป็นผู้นําผู้นําสังคมผู้นําองค์กร มาตรฐานที่วางไว้เนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานทั่วไปในพื้นที่ที่ใช้อานาจในการบริหารจัดการแช่อะไรกับคนอื่นถ้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตัวเองมาอยู่ภายใต้อนันาัการดูแลบริหารของตัวเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนคนอื่นเอาไว้เอาไว้ในขั้นตอเนี้ ليه تلوش عيا عبد الله بن عمر و ك و ن ب ل ص ح ا ب ة لا عمر بن ل خ ط ا ب جن شو عبد الله بن عمر ن ن ت ن ت ر ب إ س ل ا م حمّح عنه لوقا ا ب ي ر ب ي حمّح عنه تا ت ل و ق ن ي عبد الله بن عمر داي داي خيانت م إ ب ا د ا نية มากกว ى ب ا ب ا ن ي و ب في يوب من ن ب ي ت ن ب ي مي ش ي ت ن ي ن ب ي كذا ي ُ ق ي َ م ب د ل اللهِ ع م ر ن ل ا ه ي ق ا ل َ ب ي س ي ش ت <تت> و ي ل َ ل َ ع م ر خ ط ب ا ب ن ل خ ل ي ف ة ب د ا ل ل ه ب ن ع م ر َ ن ب ا ل ل و ك ِ خ ا ل ي ف ة و ع ن ع م ر ل ي ر ي ك ل و ك ع ب د ا ل ل ه ب خ ن ب خ ن ب خ ن ب خ ن م ن ب ن ك م ك م ب َ ك م ي ُ ق ي و م و ه ا ي و ْ م ي و ْ م و ْ รวยเอารวยเอานะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีมากมายเหลือเกินอับดุลละเนาะมารู้ว่ามาตรการของพ่อเขานี่ในในเรื่องในเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินของข้าราชการเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยเอามาไปยึดเลยยึดทัพย์เลยอับดุลละเนาะมารีเ่ออโกร อันนี้เป็นเงินทําหากินเองครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทุจริตไม่ได้อะไรครับบอกว่าไม่สิกระฝูงแพะฝูงแกะของตัวเองเนี่ยพอไปกินหญ้าที่ไหนนี่เขาก็บอกว่าลูกอามีรุลมินีนลูกคอรลิฟานี่เขาก็เลยปล่อยมันก็เลยขยายขยายพันธุ์เอาขยายพันธุ์เอาเนี่ยอาศัยบารมีของพ่อตัวเองใช่ไหมเยอดครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าเออเออก็ลูกกูไง เจ้านั้นเออก็ลูกมีข้าราชการให้ใช้มารับใช้เมียก็มีเมียเมียเจ้านาทีคือแค่รับใช้เจ้าหน้าทีเนี่ยมันก็มีข้อขอรหายอยู่แล้วไอ้นี่ไม่อยากดูเขาจะมีปัญหาที่เขาให้อคนที่ถูกเกณฑ์แล้วก็มารับใช้เจ้านายมันก็มีข้อขอข้อขอรหายอยู่แล้วน่ะนี่มารับใช้เมีย เราใช้กิจกรรมีด้วยนะเราใช้กิ๊กรรมีด้วยเออก็ใช่สิลราดูเหมือนว่าจะรอดนันเนี่ยเป็นอภิสิทอภิสิทําทำได้ลูกน้องนี่ไปจังไปทำาน่นทำนี่งานนี้ไม่ใช่ ง, งานเขาเป็นเป็นเป็น เ, นเจ้าหน้าที่ทำอะไรก็ได้ ไ ม, ม, ม่มีใครไม่มีใครบังคับอะไรได้มันต้องเป็นคดีแล้วก็แล้วก็แล้วก็คุยกันทางโซเชียลมันดังก่อนแต่เรื่องนี้มันมีมาไหนตาไหนแล้วแต่พอมันดังแล้วอะนะอก็เลยตรวจสอบเฮ้ยไปไปทำยังไงมีเฮตรวจสอ บ, อตสอบแต่จริงมันมีมานานแล้วมันเป็นกติกาแล้วในสังคมเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ทรัพยากรแผ่นดินเนี่ยรับใช้คนในครอบครัว อ๋อดูอับดุลลาบบออมรนขัตาบนี่ก็ใช่ดิเอาฝูงแพะของตัวเองนี่ไปไหนเดินไหนเนี่อ๋อเชิญเิญเนี่ยลูกลูกคอรีฟานี่เชิญเชิญกินให้แพะกินให้แกะกินก็ไปกินไปกินอาหารไปกินที่แม้กระทั่ที่หลวงก็ไปกินในป่านี่ก็ไปเลี้ยงีตามสบายมันก็เลยขยายพันธุ์เองก็เลยเยอะไงเองก็เลยรวยเนี่ยยอดครึ่งหนึ่ง ก็จะใฝ่ฝันให้มีผู้นาแบบมัน ม, มันเป็นไป่ได้หรอกมันเนไปไม่ได้ฝันไปเถอะไม่ต้องขนานั้นก็ได้เอย่าล่วงเกินได้ไหมเอย่าล่วงเกินของหลวงนี่อย่าล่วงเกินได้ไหมบางทีเนี่ยอาจจะแค่การล่วงเกินนี่นยะมันก็เป็นการฝันเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มคุยกันนะ น, นะชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยที่เห็นนักการเมืองขึ้นมาเป็นผู้นํามาดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารส่วนกลางต่างๆเที่ยกโงกันหมดเลยชาวบ้านเริ่มพูดยังไงรู้ไกินก็กินไปะให้มันพอดีพอดีนะมันเริ่มมีแบบนี้แล้วเวลาเทียบระหว่างนักการเมืองของยุคนึงกับยุคนี้เอออนุมันมันดีกว่าเฮ้ยมันกินนะใช่มันกินแต่มันแบ่งคนอื่นด้วยมันเม่ป็นพี่พูดอย่างแบบนี้แล้วเออมันดีกว่าเพราะมันมันมันไม่กินเยอะ มันกินนิดหน่อยแล้วก็บแบ่งคนอื่นด้วยคนอื่นเ้าไม่ไม่ไม่เดือดร้อนประเทศไม่เดือดร้ อ, อนอนี้มันกินกันไม่มันกินกันคนอื่นไม่มีไม่มีให้กินด้วยอ๋อเป็นแบบนั้นดูเหมือนว่าการที่จะใฝฝันให้มีผู้นำที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนยุคสหภาพานี่อย่าว่ายุคสหภาพนะเอาที่เอาที่แบบว่ามาที่หลังก็ได้นี่เอาแบบว่าแค่พอดีพ อ, อดีนี่ก็ยังยังไม่มีเลย นี่ทั้งหมดเนี่ยเพราะเพื่อเรามาตรวจสอบตัวเองว่าความอึดอัดใจในการใช้กฎเกณฑ์ที่เที่ยงธรรมนี่นะมันเป็นตัวชี้วัดว่าเราเลื่อมใสในคําสั่งสอนหรือเปล่าเพราะบางทีอย่างที่บอกเราเลื่อมใสในคําสั่งสอนในเมื่อเราทําแต่ถ้าเราไม่ทําเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะต่อว่าคนอื่นซึ่งมันไม่แฟร์ไง ควาเลื่อมใสมันต้องเสมอต้นเสมอปลายจะเด้่องคำสอนของอิสลามนะครับก็คงฝากเพียงแค่นี้อส่งถึงกองอาณานิคมและความมโนธรรมในมุสลิมุสแลม